เรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยา262สสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการมันเหลวที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมันเหลวที่เป็นยา คือมันเหลวหมีมันเหลวปลามันเหลวปลาฉลามมันเหลวหมูมันเหลวลาที่รับประเคนในการเจียวในการกรองในการแล้วฉันอย่างน้ํามันภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรับประเคนมันเหลวในเวลาวิการเจียวในเวลาวิการกรองในเวลาวิการแล้ว ถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฎสามตัวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรับประเคนมันเหลวในการเจียวในเวลาวิการกรองในเวลาวิการแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฎสองตัวภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุ รับประเคนมันเหลวในการเจียวในการกรองในเวลาวิกาลแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นต้องอาบัตทุกกฏหนึ่งตัวภิกษุทั้งหลายถ้าพิกษุรับประเคนมันเหลวในการเจียวในการกรองในการแล้วถ้าภิกษุฉันมันเหลวนั้นไม่ต้องอาบัต